บอกมาส่งกลับได้ตีบอกรันมกลับยังไมรู้จดออไม่เห็นองกลับหรมั้งปกติเด็กคนนั้นไม่กลับต้องเห็นเหรอท่านไม่กลับคงจะกลับไปแล <c oughs> มีนมนบ่อยก็เปลี่ยนรูปไปหน่อยไต้องค์เดิมไปองค์อื่นก็ไม่ได้ไปแล้วก็ตำเนีกันเองแล้วก็ผิดกันเองละผู้รบเลยไปผู้บัรก็ไ่ได้ไปไได้ไปแต่ผู้ส่วนลวนปิวัตัตัวผู้บ่ส่วนลวดไ่ได้ไปตัวผภาษากิเลียบตัวมะเบาบ่งจักหล เราดีๆก็บ่กเข้าใจคนบอกว่าผีบอกเดียวๆแล้วบอกดับควันบอกหยาแต <c oughs> นน่น้อนอายนั้นคนบรมษโบราณที่มาแล้วก็ปฏิบัติทรรมไม่คุยกับใครได้ทำไมก่อนไปตามอาจารย์เรียนสวนกล้วยในป่านในดง ไม่ให้มีรถเข้าไปหรอกฉันจะเดยนคุณ <c oughs> ว, วันนี้ต้องขี้เกียจทบทวนทำงานในแอร์ในอะไรก็ขี้เกียจต้งสมาธิภาวนาปวตับผิวจากดำจากค่ํเคนบอลลูนโบาณทไรไถานาแทบล้มแทบตายน้ตาจะกระเด็นเขานั่งสมาธิภาวนาขอกล้าขีตมเต็มขาขึ้นนั่งสมาธิบนเขียงนาฝนยือเห็นได้ ส่ที่พวกโกโก้เก๋ๆเห็ดเ่ราะไรเลยไม่มีปัญญาเป็นอย่างนั้นสิ้นสมาธิปัญญาไม่มีปัญญาส <c oughs> มาธินิ่งเพิดเกือนสติปัญญาจิตคนไม่นิ่งอยากร่ำรวยอยากสวยงามมันอยู่สองตนเมื่อผู้เ ง, งินผู้ท่อง มุ่ซาวก็ไปว่าวโยมก็งงงันก็ดีชั่วโมงกว่า ม, มาทันเวลายอยู่นี่สามชั่วโมงกว่มามี้ไปมีเจตนาอยู่ไกลถ้าจะไปอยู่ประเทศไทยจงมาได้ครับมีกิยสัทธาก็ไปได้ <c oughs> ให้สินให้ทำได้สินได้ทำหาสินหาธรรมมาแทบล่นแทบตายจะมาแพ้งไว้ทาไม ดูไอ้เจาแต่เธอรู้ยังเก็บเอาไว้พระองค์เดียวยังสงสารสัตว์โลกนั่นหาศีลหาธรรมมาสอนสัตว์โลกในที่ไหนละ่ะชมพูตวี่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปสํารอยกันไม่ให้ไปเป็นหมูเป็นพวกไปสองโลกน่นไม่เห็นมีเครื่องบินนั่งโบราณไม่เห็นมีรถนั่ง เดินจากประเทศอินเดียมาถึงประเทศไทยได้ง <c oughs> ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อมีในพะระปฐมแกดีปฐมคือที่แรกแกดีขึ้นที่แรกมาจากนร่นสถานที่ไว้สำหรับของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ <c oughs> ทุกวันนี้มีแต่ทำไม้ตาแดดตาฝนม่แต่ทำใหญ่ๆ หลวงปู่มั่นใหญ่ที่สุดในโลกหลวงปู่ทวดใหญ่ที่สุดในโลกไปทำตากแดดตากฝน <c oughs> อยากลมเย็นเป็นสุขแต่เอากูบอาจานเอาพระพุทธเจ้าไปตากแดดตากฝนด้วยเอาเราไปนั่งดูสิได้พกข้าวป่ะถ้าอยากลมเย็นก็ทำให้ท่านลมเย็น <c oughs> อย่างน้อยที่สุดก็เป็นต้นไม้ใหญ่ใจ คือค้ามทนต้นไม้นั่นเห็นหมศักดสิทธิต้นไม้ใหญ่ๆางใจโอ้ผู้ได้เห็ุไรนั่ไม่รู้ว่ามาจากไหนต้นตะเคียนอยู่วัดอะไรก็ได้มาเป็นร้อยๆกว่าท่อนรู้สิบกัวเม็ดยี่สิบกวเม็ดเท่าไหร่เท่าไหร่้าวมีเยอะแย คนสมัยใหม่ก็ไม่ต่ไปหาเอาแป้งไปท่าทะลุหาเลขหาเบอร์นี่จะไปหาสิลหาธรรมนี่เาแม่เาแม่เป็นชื่ออยู่แล้วนพญาไม่นน <c oughs> ไม่พระยุงไม่ประยูงไม่้าแข็งแข็งอย่างนั้นนะญาตโยมไม่เข้าใจบางทีเอาไปทำบันไดเอาไปเหยียบทามาหาเรื่องคีบไม่ขึ้น ไม่ได้หลวงปู่ไปเห็นต้องให้เลือ ด, ด้วเป็นพ่อไม่แม่ไม่เจามาเหยียบเจ้มาทำลายนะ <c oughs> ไม่รู้ยาลุบลูภาษาของเราให้เข่งให้เร่งทำเอาทำเอาทำเอาร้านมาเลเช่าเขาไม่ซื้อรรหาที่ไหนได้พระพเจ้าหาศิลหาทำมาปอดมาสอนให้ดูใจ ให้รักษาใจในโลกเลยไปติดแต่ร่างกายอยากร่ำรวยอยากสวยงามอยากร่ำรวยอยากสวยงามมาแต่เรื่องทะเลาะกันยุ่งเด้อเวลามั่นกันชอบกันราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปไปหึงกันห่วงกันก็นทะเลาะกันแตกเสียงหักแล้วมนแตกสะแล้ขาดไปแล้วเห็นไหมไม่มีคุณธรรม ในนี้มีความสุขหรอกความสุขอยู่ที่ใจถ้าใจนิ่งใจสงบมีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นสำคัญแล้วใน ม, มีความสุขมีสินมีทำตายวันไหนตายวันไหนก็เผาวันนั่นไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแล้ว <c oughs> ดีเพล่งคนขวา ย, ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงไปเล่งคนขวาย พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนตายพระพเจ้าสอนคนเป็นสอนคนแล้วนี่เราเป็นคนไห ม, ไมถามดูใจเราไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกถ้าเป็นคนทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเจ้าให้ความรู้ทำใจของเราให้เป็นพระพุทธเจ้าให้มีความรู้โลกวิถีรู้แกงโลกว่าความเป็นยูของโลกมันเป็นยังไงยังไงคาว่ารู้แกงโลก ไม่ใช่เอาตาเนี่ยไปมองชอบโน่นชอบนี่ชอบโน่นชอบนี่ตาเนี่ตาเจเละต้องทาให้เป็นตาธรรมะเอาธรรมะมาแปลดูอะไรมันก็มีแต่ทุกข์หมดนั่นแหละดิ้นร น, นกวนแกงแสวงหาแต่เรื่องทุกข์ๆสวยใหญ่ๆอะไรก็ร่ำรวยสวยงามไม่ต้องไปพูดมากให้ได้คิดมากคิดสองคำก็พอแล้วนั่นละ มโนมโนอยู่เมืองภูเงินเมืองภูทองมโ น, มโนใจอยู่เมืองผูเงินผูทอง <c oughs> อยากดูก็ให้ดูนานๆอยากเห็นก็ให้ดูยังนานว่านางมโนลาไปอยู่ไหน <c oughs> ถ่าไปดูบ่อยๆนิดหน่อยก็ไม่ได้อะไรแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วต่างคนต่างดูต่างคนต่างดูอยู่มากตั้งไรก็ไม่มีปัญหานะ ถ้าต่างคนต่างดูทำรรถ้าตัคนต่างไปดูคนนู้นคนนี้หาวิธีปรุงแต่งโดยเฉพาะเรื่องของโลกิยะอ่ะมันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากกับคนหลายคนทำนูน่นทำนี่ไม่ได้ดั้งใจก็หาเรื่องยุ่งกันไม่ถูกใจก็หาเรื่องยุ่งกันอ่ะดีทางนี้เขาบังคับไม่ให้ไปทําลายอะไรแล้ว <c oughs> ไม่ไปปรุงไปแต่สถานที่ให้รักษาของเก่าที่เดิมเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นไหนพยายามเน่นหนักนะไรนี่ค่าพื้นค่าไฟค่าอะไรก็ไปหักเอาหักเอาไปรู้เท่าไหร่นะยิ่งใช้ไฟมากเสียด้วย <c oughs> อะไรอะไรเดี๋ยวนก็มีแต่เครื่องไฟใช้แต่ไฟทำง า, ทานทำงานแล้นก็ไฟไฟไ ฟ, ไฟ นี่เหมือนกานงานมาไช้อยู่นี่ถ้าไม่คิดเกียรติสาวก็ไม่น่ายเห็นทุกข์ได้ยังไงล่ะถ้าหนาวนิดหน่อยเอาไฟมาฝิงนี่ร้อนนิดหนอ่อยหาพัดลมมาหาเรื่องยุ่งไหมแต่ใจไม่ไปยึดนันไม่มีหนาวหรอกสังขารนังกายมันจะหนาวเป็นอะไร กิเลสมันอยู่ในหัวใจน่ะว่าเป็นอย่างน้นว่าเป็นอย่างนี้ทําไม่ว่าหนาวมันจะหนาวตรงไหนละ่ะทําไม่ใจไม่ว่าเจ็บมันจะเจ็บตรงไหนละ่ะเห็นไหมละ่ะคนไม่มีใจอยู่ในเหีบอะ่ะนั่น <c oughs> ถ้าปล่อยถ้าวางมันไม่มีอะไรอยู่เท่าไหร่อยู่ได้ต่างคนต่างหน้าที่ของตอนเองคือทำซักฟอกจิตใจของตอนเองให้ใสสะอาด ถ้าไปมองคนอื่นเรื่องอื่นสกรปรกแล้วนะหลักวิธีไหนหลักทรก็บอกไปหมดแล้วะไ <c> ม <oughs> ่เพ่งไม่เพตนเองอยา่าไปเพ่งคนอื่นนะ <c oughs> ไปเข้าทางตนเองว่าตัวเองดีอะไรติไปเติคนอื่นผิดหมดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีไปแล้วตัวนี้เราดีแล้วเหลือ ทำไมได้่าบนอยู่นี่ถ้าดีแล้วหาเรื่องบนทำไมหาเรื่องยุ่งทำไมถ้าดีแล้วไม่มีอะไรยุ่งก็เถียงลงไปที่เถียงข้าลงไปที่ฆ่ากีเดียหาเรื่องใส่ตนเองแะไ ม, ม่หรอกคนจะอยู่คนเดียวเราเกิดมามีพ่อมีแม่นั่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ทำให้ใจอยู่คนเดียวก็ได้ หาใจมีหนึ่งหนึ่งไม่มีสองไม่ไม่ให้มีอะไรหนึ่งไม่มีสองก็หยุดในลมหายใจเ้าออกอย่างเดียวหนักตรงไหนไปแบกมุ่นไปแบกนี่อะไรเขาหงก็แบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กอยูุ่กย้ายดิ้นบ่ลมต่างชาตดบ่แต่คนไทยติฮะ เดจากนักคนของ่น้อยวาหลวงปู่ยิ่งติตายนี่กนี่เจ้าค่ะอมบวเห็บวชตั้งมือมาอยู่เดือนกว่าเจ้าค่ะโอ้พระเจ้าดเดือนกว่าก็กล้พร้อมหลวงปู่กล้ไปยมันเจ้าค่ะอืมะได้เดือนกว่าอแล้วกกแถ้คือหลวงปู่เนี้ยหลวงปู่แถ้เดือนไดเมื่อได้ แทะไปเรื abei, a me, a ่อยๆทีแเืี่แหะลง่าไหแทะไปเรื่อยๆน้ำหอบวันผ่า่ก็แทะที่ผ่าไหมค่ะออกไปสู่โลกยังสบายค่ะจะตคนด่าไหมต่ทองเลตัวว่ากูบ้ากะด่าเขาขึ้นไปอีกเลยตัวฮึแตว่ากูบ้า นี่เขาแต่อชยารบ่าวา่าหอกมันทก ป, กปกะหมดมึงถือเลด็ดหดใครว่ากูว่หมาเหยียบหัวมึงต้องค่อยไปแท้ต้งค่อยไปบวชมาแล้วาลพา่อ อปลูกาเวเนโมโทะสะปะสนตาปะวะเจโตะสะเวลมะติขันโต My. Wow. กัมาเด้อันนั้เดียวจอวัดไม่เดี๋คนบ่อยไม่ยิ่งจะวัดเด้แมนตัดว่ายนอมีดอัน flexible เพิ่มวมาพรผ่านใด้จ้ะค่ะบอควันเราของกูด้เปิดรับเมื่อไหเด้วเกิดมาน้อไม่ยิ่งตั ว, วจะไปหาว่าก็เจ้าจังหดต้องเกียดจังไดย่างหน่อยจะมีคนประเภนของจังหวกตัวมีคนนะฮ ะ, ะ, ะอืม ก็อยู่นั่นม่เงี้ยเดเดกเงี้ยจะเกิดมาเล <c oughs> ไปก็อยากเงี่ยหรือกันตัว ใช่นกักะเจ๊กขาเพนังเจ๊กขาขอเทษเพนังเพนังพื่อนพวกเป็นเพื่นเคยไปกับลูกบุวันปลาบัดนเมืองไหมค่ะเพื่นอยู่เมืองไทยวะค่ะเพ่นเพ่อนอยู่ทั้งสองประเทศแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนเคยไปกับลูกบุวันปลาน้าเมืองเพื่อนเลยอยากมากับค่ะโอ้ดีดักดีดัก จุดบนเมือนมมันเคลื่อถวายปาปลาลูุวันปลาน้เมืองนเ่ยอย่างมากะบลูกอืยเขาจะวดเข่าตึงมือแล้วปวดขาตึงมือแล้วโอ๊ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นนั่งบอดด้เพิ่นเลยว่าเพิ่นปวดขาคเพิ่นนั่งพืนบ๊ปิ้ค่ะโอ เดีย่เาเมื่อาดีแล้วก็นเมืองใช่เ่าบ้านเมืองตค่ะเป็นลูกชิ้น า, าจาวานค่ะอ้านูนอือเป็นาาจานยูวนอือื่เ้าขาไ <c oughs> นนไ ไปโย่ไปโย่ไปโย่ไปดีแล้วบ่เขามดัย you gonna be healthy I hope so ขับปุ่งขับฮะขับมึงมาปานะปานะคานะคำขับปุ่งขับรถตีขับปุ่งขับ แปรงสีฟแปรงสีฟันีปรสีฟันแ right> uh> uh> ัรงสีฟ uh> ันน uh ีแล uh uh uh ้วหลงนี uh um> uh uh uh ่เปนเดียวนึ่งถ้าเอาไปใส่รบนี้ตะกเก็บหนีไปแล้วเก็บหนีนะของน แบบนัคือตัอพกตัวพกเป็นแบบดีใจอยู่แลเนาะไม่ได้แบบไม่ารพนักตัวนี้ยังไหนยังไหนกระหมูจักแน่เลเส้นตัวขอจะโดนเราจะบ้าวันนี้คนบอกอุ้ยเป็น เดี๋ยไปผูชาจ้ะค่ะไปไว้ิ้มครัตึงนแนบพดีอ๋อเรียมพวกปักอะไรผมอ่ะโอ้ย่นี่นี่นี่่นนี่น่นี่น่นี่นี่น่น่นี่น่นนี่นี่นี่น่นี่ยี่นี่่นี่ี่่นี่นี่นี่นีนี่่นน่่่นนี่ วันนี้คุณจะขออนุญาโโอกาสถ้าคุณจะอไปในเมืองจะไปไปพิธิพัณฑ์จาค่ะขออพ่เอ็งึงาจิไปเยี่ยมย่มจะมามาทำบายสิตไปก่อนจะไปเยี่ยมนะคะย็จะเอาของไปฝากไปรับน้อกับผ้ว่านูอะไรนะแมกับโจกขอยาเนาะจะา ไปเชบ้านค่ะแต่จักมือแบบอันนั้นม่มา ก, าการาบลุงปู่แบว่าผูว่านเพิ่บอกว่าค่นนี้โอกาสไปกราบลุงปู่ให้ได้เด่กั น, น, น ไ, ได้มากก็ได้กราบแล้วก็เลกราบมือนีอันสกรับวันที่หนึ่งะครับคอ๋อทังมือเต็คือทั้งเงสียเราพูดเหมือน ก, กันข้าชาบานน้ำข้ามของแบบ มะเยี่ยมไหนท่ีอันมเยี่ยมพ่อเ พ, ออพิ่นเลยค่ะอ๋อีอไปยม่ค่อยจะดีใจเล ย, าายมไม่แต่สบายได้ยินว่าเรามาเตบมไปอืมได้มา ก, กาบพอดีเละ แ, แต่ไม่มีน้ำร้นเพื่อวานหน้าเนี่จะไปหาขายกันขายนี่ไร